ต่อจากเรื่อง 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2526ณพุทธสถาน เราตั้งใจทํานะอะไรๆก็ ในการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องการลักษณะนั้นลักษณะ เพราะว่ามันจะไม่สมบูรณ์จิตเป็นเอกถ้าจิตไม่เปลี่ยนแปลง น่ะพอแล้วไปแต่ว่ามัน จินตาเป็นจินตภาพ ว่าเราจะระลึกถึงแม้แต่จะต้องนึกถึง ก็มีคําเฉลยอีกท่านตรัสไว้เอง ระลึกถึงคําสอนที่จะปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่าง ปฏิบัติอย่างนี้ให้ละออกหรือให้ๆ ทีนี้สุภกนั้นเรารู้ถึงพระพุทธเจ้าได้ สละทั้งวัตถุสละทั้งอ่าเข้าของอะไรก็แล้ว แต่รู้จิตวิญญาณที่เราได้ละที่สบาย ยิ่งสมบูรณ์ใหญ่ยิ่งสูงสุดเทวดาชั้นวิสุทธิเทพจิต เพราะพุทธะถึงไม่ใช่ตัวตนของใครใคร อันนี้เพราะๆ โดยระลึกถึงสิ่งที่เรา nakmotetsa pakkawa watto arahto sema semputsak nakmo tetsa pak wattu arahto sema semputtetsaknak mo tetsa pak watto arahto จะเจริญธรรมญาติโยมที่ไป มีการเจริญๆ สบายๆอ่าผู้ที่ เป็นสบายสบายนั่นเป็น ถ้าใครปฏิบัติธรรมต้องไม่สบายใจกูแล้วก็ แต่มันใจเร็วใจร้อนมันใจเร็วใจร้อนเพราะฉะนั้นทุกคนมาปฏิบัติธรรมแล้วพอมาลองๆๆๆ นอกจากผู้ๆเลยจะอยู่ต่อจริงๆๆ ถ้าเราไปอยู่ที่ที่คนเค้าก็ คนธรรมดาโลกโลกๆที่แฉะแล้ว ในฐานะผู้ยังเป็นเสฆะบุคคลหรือผู้ว่า ถึงเคยเอามาอธิบายเอาเคยมาพูด ถ้าผู้ใดโคเมวิหระโตถ้าตั้งตนอยู่ตามสบาย ความเลวเจริญเจริญความสบายสบายอยู่ฟัง มีจาคะขันติๆรู้ความจริงแล้วเป็น เพราะว่ากิเลสของเรายังมีที่จิตมัน ให้กิเลสละออกให้กิเลสละออกละออกมัน ธรรมปฏิบัติประพฤติถ้าเพราะว่ามันอ่อนลงอ่อนลง ไม่ค่อยเห็นหน้าค่อยเห็นหน้าจักจะห่างๆหน้าห่างตาเคย ก็ตามเค้าก็มีบัณฑิตมีผู้ที่ช่วยที่เกริ่นต้น แต่หน้าตาก็พอได้สัมผัสพอรู้ก็เออพออ่าคือๆหรือจริงๆอะไร มีอะไรสปัดๆทั่วๆไปแล้วจําชื่อนักชื่อแฟนนามสกุลๆนึก คิดตั้งนานอีนามสกุลอะไรนามสกุลแฟนนี่นึกตั้งนานชื่อก็ลืมคือบางที จะไปถือสาอาตมาไอ้เรื่องนี้แต่เรื่องว่าจําได้คนนี้มีบุคลิกอย่างงี้คนนี้ <establishing> <One tema> <sh> อันนี้จำได้อันนี้จําได้อันๆ ไม่ใช่ว่าจะต้องดูหน้าตาเบิก สบายสบายสบายทั้งทั้งที่กิเลสกูอยากอีก แม้คุณจะตั้งมั่นแข็งแรงแล้วต้องรู้ว่า เราแต่เอาความแต่บอกว่าไม่ให้หยุด นะมั่นใจมั่นคงดีแล้วแล้วก็เพิ่มแต่ไม่ใช่หมายความว่า ถ้าๆๆๆอยู่ ใครเข้ามาในที่นี้สถานที่นี้ เสร็จแล้วไปคุกคีวุ่นวายอยู่นั้นจนกระทั่งติดอยู่งั้นน่ะจะ ที่นี่ทําไมสบายเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นบรรยากาศนอก ในสถานที่ที่มันมีอะไรอะไรให้ บังและเกะระกะหน่อยก็ลบๆเร่งๆ กดลังเนื้อชอบลังยานี่นะบางคนอาจจะ พอบอกแล้วเสร็จคุณก็เอาปฏิบัติเข้ามาใน แหมเราก็ไปคอยเห็นเออนี่นะในกาก สำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วศีล แปลเอาตามอัตโนมัติเค้าแปลศีลนี่ว่าข้อปฏิบัตินะก็ถูกก็ ที่หนักแน่นไม่ใช่หลักปักขี้หนักแน่นมั่นคงตั้งหลัก ก็น่าจะฟังเหตุผลอาตมาบ้างถ้าใครฟังเหตุผล อาตมาอธิบายเนี่ยอาตมาก็ไม่ๆนี่เป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องๆภาษา กิเลสลดจางออกจากจิตแล้วเรียกว่าสมาธิ จนมันไม่มีกิเลสอย่างทิฏฐิทั้งที่แล้วทิฏฐิมันก็เป็นสมาธิ เออน่ะมันมันไม่ใช่เรารู้เนี่ยนะเค้า มันๆเลยนะอาตมาพูดอย่างงี้แล้วเจ้าสำนักหรือว่าสำนัก ปฏิบัติแล้วขัดเกลาการขัดเกลาต้องฝืนต้อง จนมันหมดเกลี้ยงแล้วคุณจะถึงนี่เรียกได้ว่าเออกิเลส หลายคนได้ปฏิบัติธรรมมาหลายๆง่ายในของเดิมๆ ไม่เห็นยากเลยเรื่องนี้ไม่เห็นมันยากอะไรเลย ไม่เคยหวยหาอาวรเพราะง่ายมันอาจจะหลงๆไปง่ายแต่อันใด สักเยอะกว่าเราเหมือนกันนะเหมือนนังกระติกนะเออไอ้ตอนที่มันไม่มีนี่ละ เป็นกิเลสอยากหรือหลงเอ๊ะๆๆนี่คุณจะเห็นจริงเลยเห็นของคุณเองนะจะเห็นจริงเลยเห็นคุณ เหลือปัญญาตัวรู้เองอย่างนั้นรู้ของไก่ของมัน สามารถที่จะรู้เลยว่าเป็นผลดีที่จะคุณก็สบายไปเลยเลยว่าเป็นสะอาดดีๆ ดีเป็นผลทั้งส่วนตัวดีทางสังคมก็ดีที่ อาตมาก็ได้ดีสังคมก็ได้ดี ในเมื่ออาตมาปฏิบัติเลิกละล้างจางคลายมันได้จริงตัด หาเงินได้เก่งอยู่ในสังคมเงินได้เก่งก็ว่าๆแคบๆ หามากๆนี่เป็นความดีมันยากขึ้นกว่ายากขึ้นกว่ากินเหล้าว่าดีและอาตมา สังคมไม่มีตัวแย่งอยู่ในๆ สร้างฝีมือสมรรถภาพก็เพื่อไปหาเงินมาได้มากๆทั้งนั้นน่ะ แต่พอด้วยเหตุพออาตมาเกิดปัญญานะปัญญา ยังหารายได้ยังหาๆอยู่เลยหาให้แก่ตัวเอง การขาดกันเทศอาตมาก็บอกอาตมาเลิก อ่าประเทศก็จะไปเอาสตางค์มาค่า ก็เลยการเทศเราก็เลยเจ๊าเลยเทศ มาในเรื่องของการปฏิบัติศีลหลักเกณฑ์ปฏิบัติมาตั้ง ถ้านี้กินข้าวอร่อยเนี่ยอาตมาบาปอาตมากินข้าวไม่อร่อย แซ่บทั้งนั้นน่ะถั่วกลุงนี่มันหลอกกันมา ใครจะมาหลงตามอาตมาก็เอาอร่อยๆกินดีๆไม่เอาไปฝืนไปอร่อยไม่อร่อยก็อาตมาก็กิน มันๆเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจเราเข้าใจถูก ให้ไม่ต้องสวยไม่ต้องอร่อยที่แต่ให้ได้เนื้อร่างกายได้สมบูรณ์ก็พอแล้ว จริตของคุณมันมากไปแล้วอาตมาดัดแล้วดี <c oughs> อานัตตมาออกมาเป็นพระโพธิรักแล้วเนี่ยโอ้โหพูดไม่ พูดได้อย่างนี้เป็นความไพเราะทางธรรมผู้ใด แล้วเค้าหน่วยนี่คุณจะต้องอ้อมๆ อาตมาก็ไม่อง 10 องศาอาตมาพูด 10 องศาก็องศาเงี้ยค่าไม่อง 10 องศาเป็นค่า ตกลงอาตมาต้องการสัจจะที่ไม่โค้งทุก 10 องศา 360 อง <c oughs> กัน 360 มารยาทอะไรกันจนเกินการมารยาทมันมาก <c oughs> ย้อนใช่ใช้สำนวนเออศิวะนี่ต้องนักเลงนักเลงหน่อยเพราะตามธรรมดา มันจะข่มอาตมาอาตมาก็ต้องเป็นนักเลงขึ้นแล้วตอน เป็นเหมือนอย่างว่าเมื่อถึงถึงคราวคังพร้อมที่จะใช้ ไม่ได้หมายความว่าอาตมามีประจําอยู่ที่มือเมื่อไหร่ก็เออศิวะ อาตมาก็ขู่บางทีเรื่องอะไรพูดแหมหวานไม่พูด เดี๋ยวนี้พูดผ่าผ่าตรงๆไม่ คนหลายคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้ส่วน และอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เราสื่อ อันใดมันหลุดพ้นแล้วจึงสบาย ต้องให้เกิดความจริงให้เกิดความจริงต้องให้เกิดการสละไม่มีอด <spe swag> ต้องข่มใจเออไม่ข่มใจไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะ เนี่ยอาตมาได้ทํางานศาสนามาขนาดนี้อาตมาจับพวกเรามา ก็ไม่รู้ตัวอีกผู้ใหญ่ก็ตอกคืนให้บ้างอ้าวสัด แต่มันก็ยังไม่มันยังมีว่างอยู่บ้างหรอกนะยังรถช่องว่างระหว่างไว้งามพร้อม ว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายยิ่งหนุ่มๆสาวๆๆๆถึ้ง บางอวดดีถือดีอ่ะเป็นมานะก็ลด เอ่อด้วยความด่มเย็นร่วมกันรวมกันนั้นไม่ demand demand เป็นคําประเภทอานา เพราะตัวเราเองนี่ลดกิเลสได้อันนี้ เราจะมีสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมา จะทําอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ลากกิเลสเออใจ ปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ละๆเพียรไปหมด มาเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเค้าปฏิบัติกันก็บอก จนกว่าจะทําให้พวกคุณมีตัวจริงมี อันนั้นเป็นเพียงองค์ 8 น่ะไม่ใช่หลักใหญ่ 8 ต้องทําไม 8 ไม่ใช่ 8 จึงเกิดเกิดพระพุทธเจ้า 8 ตรัสรู้ 4 ไม่ได้ตรัสรู้ 8 น่ะมรรคคือ ที่เรียกว่าผลผลเรียก 8 นั่นไงปฏิบัตินั่นน่ะแล้วจะเกิด ทีเรียกว่าผลผลเรียกว่า 8 นั่นไงปฏิบัตินั่นน่ะแล้วจะ อ่าเรารู้ทุกข์แล้วก็พยายามหา อะไรก็บอกสุขทุกข์มันคนละตัวตัวเดียวกันยอดตัว ไม่มีโลกียสุขก็มีชีวิตชีวาชีวิต เพราะเป้าหมายว่าเป็นรถอย่าง ตลกี้ยุคนั้นอ่ามีวิเคราะห์แค่นี้ก็คง เอาเอาตัวนี้มาปฏิบัติเถอะๆยากจะเหม็นชุน เคยเลิกๆเลยไปลองกินดูโอ้โหมันยันน่ะตอนนี้ๆอ่าปัญญาแกก็ เก 7 โตสาย 7ๆนะแกก็ไป 80 แล้วแก 80 คิดดูปีพอเลิกได้อย่างจริงอย่างนี้มันล้า ใครไม่รู้เรื่องศัพท์นี้ของตายไม่ เราก็พยายามเนี่ยจะไป ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงสภาพนามธรรมอัตตาหรืออัตภาพ นี่เป็นเรื่องไม่แปรปรวนๆ ก็ทำจริงๆว่าเรามีความดีเรามีความรู้เรามี คุณรู้สึกแล้วอาตมาคือยิ่งเทศเนี่ยอาตมายิ่งก็นำมาพูดเยอะ เพราะฉะนั้นพูดละเกินเวลาเสมอพอมันเยอะไม่ใช่ว่ายิ่งจ่าย นี่แหละเป็นอริยทรัพย์ที่มันกินไม่หมดยิ่งมีมากยิ่งให้ แต่อริยะศัพท์นี่นะยิ่งให้ยิ่งงามยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งไม่หมดคน ไปซื้อไอ้ราคาแพงไอ้นั่นเลยไม่ๆ มีที่ตัวให้ได้แล้วเราก็ๆภูมิๆ ถ้าอาตมายังกลายเป็นนายรักรักท่งที่ 12กก นะ, รร นะ, 500 ล้าน ได้ได 800 บาทจน 500 ล้านนะก็ไม่มีปัญหาอะไรในภายในขณะ 500 ล้าน อาจจะแข่งๆกับแขกชื่อสุระก็ได้ล้านแล้วนี่ก็กําลัง ก็ๆโอ้โหซื้อแต่ละอย่างนี่มันไม่รู้กี่ร้อย สามารถจะทํางานๆก็ตามอาตมาจะไม่งมงายแล้วก็มา ก่อน 5 ปี 10 ปีผ่านมาก็เออยังมั่นคงบางคนก็ อุ้ยวัยยังกำดัดวัยยังจะต้องไปเนี่ยหอมๆ จะมั่นคงที้ยงแท้ขนาดไหนอาตมาก็เห็นอยู่ เจตนานารมณ์นี้สัจจะนี้ต่อไปอีกในอนาคตอาตมาหวัง อาตมาเสพายอาตมามีเวลามีโอกาสอาตมามาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่า เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลยไปรับไปส่งกันทําไม อย่าเป็นผู้หญิงผู้ชาก็ทํางานไอ้เรื่องกามหรือ ถ้าเราเก็บกวาดเอาเวลาเหล่านี้คืนมาเท่านั้นน่ะเศรษฐกิจ คนอื่นต้องพิสูจน์ได้เมื่อคุณก็ได้เช่นอาตมาอันนี้ นี่เราได้มาอาตมาๆไม่ใช่พูดเล่นขอยืน สร้างโครงๆเลยให้สิทธิๆหัวเด็ดตีนด้วนก็ไม่เอาหรือให้รอๆก็ <laughs> พระสารีบุตรก็เป็นเศรษฐีพระโมคคลาเออไปดูละเมงละครก็ เพราะก็ท่านอัครสาวกนี่มันจะบรรลุกี่ชาติแล้วมันจะๆนะต้อง พระสารีบุตรก็ตามพระโมกข์กาลกถาถามอะไรอาตมาเองอาตมาหากินงอกๆ เสร็จอย่างนั้นๆไม่ๆเลย น่าก็ๆมันก็สอดๆอีกก็นัยยะเหมือนกันแล้ว เรื่องยิ่งเรื่องชีวิตเรื่องเรื่องตำนานี้พูดไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะไปพูดกับใครแล้วมันไม่รู้ อาตมาพยายามเลี่ยงเลยไม่จริงเออไอ้สัจจะอย่างนี้เราพูดกับ ในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปี 1, กกกก1 2, 5, 8 ปีบางคน ได้อัตมาก็จะขอพิสูจน์จนอัตมาตายแหละจะขอพิสูจน์ก็ได้เป็นหลักฐานพิสูจน์แล้วอาตมาก็จะขอรู้ เพราะโลกนี้มันไม่มีใครหาญกล้ายืนยันว่าบรรลุธรรมมันอายซ้อนน่ะเชิง ตัวน่ะมันเป็นความไม่ดีอันนี้เป็นเล่ห์เฉิงเป็นเล่ห์เฉิงของ คุณแล้วอุตริมนุษยธรรมแล้วมันถูกมานหลอกล่อถูกมานถล่มหลอกลวงจน เออเราก็ไปอย่างโลกๆกันแล้วกันโถชีวิต จะอวดอย่างอาตมาทําไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอาตมาสงวน เพราะคบหาไปแล้วจะรู้ว่าอาตมามาทํางานอะไรคือใคร เพชร 100 กะรัตมาอวด 2 แต่ อาตมาก็พูดพูดไปบ้างแล้วนะเนี่ยอาตมาเหมือนเหมือนอวด ทีนี้บางคนเข้าใจบริษัทลึกซึ้งกับหาๆเรื่อยๆเนี่ย ไม่ใช่ยกรออาตมาเปิดเผยความจริงตามความ <ourd> <one. S 2> <c oughs> พระธรรมก็เอาๆมาภิสูจอาตมาว่าอาตมานี่เป็นผู้ที่ วดตัวเป็นพระโพธิสัตว์แล้วพูดแต่ยอดมหากุศลจิตปรมัตต์ตะ <ม. S 1> ตัวมันน่ะตัวถือดีอยากจะพูดดีถ้าอาตมาไปแสดงแต่ภูมิต่ําๆเค้าก็หา <ST? S 2> นั่นน่ะบุรีเนี่ยเลิกได้ๆมันๆอาตมายังทํางานมา การปฏิบัติธรรมนี่อย่าเข้าใจว่าเรามา พ้นเวลาอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่นี่เราจะต้องสูง อาตมาพูดไปนี่มันอวดตัวยิ่งใหญ่ใหญ่ อันนี้ก็นั้นอาตมาก็พลั้งปากอะไรไปนึงเวจนถึงขั้นขนาดนั้นดีปฏิบัติ มันดีว่าจะไม่พูดมันก็ถอยออกไปมันแนะให้ฟังคนมีปฏิภาณ ต่อทอดในนัยยะอะไรจะได้ขึ้นไป<อง> มันขุ่นมัวด้วยกิเลสด้วยอะไรมาทําให้หมองเมื่อเราเอาสิ่งที่ นั่นแหละคุณได้ล้างกิเลสออกและปัญญาที่มาๆจะได้ ใช้สมองขบคิดเยอะๆมันสมองจะได้ซัก มันในโลกเค้าก็ทําอย่างนึงในธรรมะก็ ว่าอยากจะให้ๆ อย่างที่เป็นวัตถุที่บอกว่าของนี้เป็นของ บุญทางนามะกุศลอกุศล ผู้นี้ทําบาปแล้วอ้าวก็แบ่งให้ผู้นี้ได้อ่ะคุณเอาอย่าง <ald en> แหมเถียงแล้วก็เอาพระไตรปิฎกอะไรมายืนๆภิกษุอยู่ๆนี่คุณฟัง ใครอยากจะโง่ตามเขาก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็พอ <c oughs> <c oughs> อาตมาพูดอย่างงี้เค้าก็ต้องจะๆไปแลกกินได้ เค้าเนี่ยก็คือลือมาดีเค้าก็จะสัดอาตมาบ้างอาตมาก็เอ้าสัดก็สัดอาตมาทํา เป็นตัวอย่างให้คนเห็นเค้าทําทานนี่ก็ ไม่ใช่ว่าจับยัดจับเยียดไปๆแบบนี้แหละกลายเป็นลัทธินาย นะเอาสัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ไม่มีเท้าก็ดีมีเท้าก็ดี 2 เท้าก็ดี 4 ดูกระภิกษุทั้งหลายกราพิกสุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่า <c oughs> ความไม่ประมาทนี่เป็นยอด ใครจะเก่งยังไงใครจะยอด ไม่เจริญแน่เจริญแน่ถ้ามีความ รอยเท้าช้างโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะ ยกตัวอย่างอื่นต่อไปอีก ศัพท์ทางจิตวิญญาณขั้นเนวสัญญานาสัญญาเยตนะ มันได้กล่าวว่าเป็นยอดของ รวมกันไปหมดชั้นใดก็ดีอ่ารอยๆหรือ นะกุศลธรรมเหล่าใดทั้งหมดก็มีความไม่ประมาท ดูกราฟิกทั้งหลายกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากชนิดใดชนิดหนึ่งกฤษณาลโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากเหล่านั้นแม้ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง แม้นฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใด พระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็น ที่มีพระเจ้าจักรพรรดิที่ก็ 16 อัน 16 ครั้งของ แม้ฉันใดดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใด กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ชั้นนั้นเหมือนกันแลดูกรพิสุท ไปหาคือไปหาสมุทรหาสมุทรโลก จะไม่เป็นเรื่องของอะไรก็กลิ่นแสงสว่างฝนหมดฝน ใช้ๆกุศลธรรม ฟังแล้วเราก็เคยได้ยินน่ะ นะความเป็นยอดแห่งความไม่ดีประมาทนี่เป็นศาสนาหรือว่าธรรมะทั้งหมด หลายคนเล็กๆน้อยๆประมาทเรื่องราวไม่มากเล็กๆน้อยๆตอนนี้เอาละบำเรอตน กิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยวันๆ ความจริงรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ใหญ่ชีวิตนี้มันไม่ยากแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้ มันรู้ตัวนะว่าเราดีขึ้นรู้ตัวนะเราสู้โลกเขาได้จริงๆไปอยู่กับโลกโดยที่ แต่เมื่อเรามารู้จริงแล้วว่าเราเกิด เป็นเทพนิกายใดนิกายนึงเป็น เอาจะจะติดอยู่อย่างนั้นแหละล่ะก็ นี่เป็นอบายมุขนะที่จริงแต่ว่า ซึ่งมันไม่มีที่กั้นที่ขีดเลยมันไม่มีที่กั้นที่ขีดเลยเป็นเรื่องหลงว่าเป็น นรกต่ําอย่างกับพระพุทธเจ้าท่านตรวจตรัสบําเรอบําเรอ นิกายนั้นแหละเทวดาแหละนรกอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ติดหนาๆหรอกยึดติดก็เหมือนตะปูอย่างที่นี่ก็มา มันมีแฝงอย่างที่ว่านั่นแม้ เมื่อพิสูจน์เถิดพิสูจน์ๆแล้วจริงๆเราจะเห็นได้อ๋อแต่นะสุขเป็นรสเป็นชาติ อ่าแต่ละจุดแต่ละอันมันบำเรอตนอย่างนั้นน่ะเพราะ สุขที่ไม่ได้เสพสมสุขที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่แหละอุปสมโมสุขคือ อ่าไม่มีถ้าเราแยกโลกียสุข อร่อยเนี่ยมันเป็นรสอร่อยมันเป็นยังไงคุณต้องมองมันเป็น ถ้าอย่างนี้รถอย่างนี้น่ะมันยากวิคล้อยมี แต่ถ้าพอได้สัมผัสแล้วยังรู้สึกอ่านได้เป็นรูปราคะรูปราคะรถมันยัง นะในกามภพนี่ไม่เกิดอีกนี่เป็นสัตว์ทางภัปปาติกะ รูปราคะอรูปราคะนี่ไม่ติดหรอกเครื่องไม่ติดนะไม่ติดเรายัง อ่าหมดรูปราคะระวังเมื่อกี้เราเรียนแล้วใน ถ้าเป็นยอดแห่งประมาทเป็นยอดแห่งอกุศลธรรมอย่าประมาทพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าๆ